สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังที่รักท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าท่านพุทธทาสพิขุได้ให้ความสำคัญกับการให้ธรรมะเป็นทานอย่างมากดังจะเห็นได้จากผลงานที่เต็มไปด้วยคุณค่าทั้งงานเขียนและเทปการบรรยายธรรมะโรมหลายพันเรื่องที่ท่านได้ทุ่มเททั้งชีวิตในการศึกษาค้นคว้าปฏิบัติและเผยแผ่อย่างสุดกาลัง ซึ่งมีผู้ศึกษาและปฏิบัติตามทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนับจำนวนไม่ได้แม้ท่านจะมราณาภาพไปนานกว่าทศวรรษแล้วก็ตามแต่ผู้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของท่านกลับมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการให้ธรรมะหรือการช่วยผู้อื่นให้มีธรรมะจึงเป็นยอดแห่งการทำความดี ดางคำตรสัสสรรเสริญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสเป็นภาษาบาลีว่าสัพทานังธ ร, รมทานังชินาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงด้วยเหตุว่าเมื่อคนเข้าใจหรือมีธรรมะแล้วก็ย่อมจะกลายเป็นคนดีมีศีลธรรมให้ทาน รักษาศีลบำเพ็ญภาวนาทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไปโดยอัตโนมัติซึ่งย่อมจะส่งผลดีโดยตรงต่อผู้รับคือผู้รับได้ประโยชน์ระยะยาวแต่มั่นคงกว่าการให้ทรัพย์สินเงินทองและสิ่งของเครื่องใช้มากมายนะักทั้งยังจะส่งผลดีต่อคนรอบข้างของผู้รับนั้นอีกอย่างหาที่สุดมิได้ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมะระลึกถึงคําสอนของท่านพุทธทาสพิขุดิฉันจึงของนำเสนอธรรมบรรยายเรื่องการช่วยผู้อื่นให้มีธรรมะซึ่งท่านบรรยายณนะลานหินโค้ ง, คงสวนโมกขาแพราราลามอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันเสาร์ที่28กันยายนพศ2525ค่ะ ขอเชิญติดตามรับฟังธรรมะบรรยายไปพร้อมกันเลยนะคะท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในวันนี้ จะขอกล่าวถึงเรื่องการช่วยผู้อื่นให้มีธรรมะโดยหลักพื้นฐานหลักพื้นฐานที่ควรทราบมีอยู่อย่างไรก็จะต้องทราบกันโดยหมดสิ้นแล้วก็ทำให้สำเร็จประโยชน์ตามนั้นโดยอาศัยหลักพื้นฐานเหล่านั้นขอให้นึกกันให้ดีๆคนที่ใจแคบจะไม่นึกถึงผู้อื่นจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัยที่จะไม่นึกถึงผู้อื่น ก็นึกถึงแต่เรื่องของตัวแล้วก็เห็นแก่ตัวแล้วก็มีความเข้าใจผิดว่าผู้อื่นไม่สำคัญเราสำคัญเราได้เราดีเรามีสุขอะไรก็แล้วกันคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีปัญหาอาจจะมีคนขี้เกียจคิดแล้วลงมติเอาเสียว่ายอย่างนี้ว่าผู้อื่นไม่เกี่ยวเราคนเดียวที่จะต้องเอาใจใส่ถ้าอย่างนี้ มันก็จะผิดเอามากๆผิดหลายอย่างผิดหลายทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผิดหลักธรรมชาติผิดกฎของธรรมชาติเขาจะต้องรู้จะต้องคิดจนรู้จะต้องมองเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าโลกนี้เป็นที่อยู่ของคนร่วมกันจานวนมากเดี๋ยวนี้ก็หลายพันล้านแล้วอยู่ร่วมกันในโลกเดียวกันถ้าไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องควบคุมโลก ให้มันกลมกลืนกันได้มันก็ต้องกระทบกระทั่งกันคนแต่ละคนในโลกจะต้องมีความเหมือนกันในอะไรบางอย่างพูดอย่างกาปั้นทุกปีนก็คืออยากจะไม่มีปัญหาอยากจะอยู่อย่างสงบสุขด้วยกันทั้งนั้นนี่ต้องการเหมือนกันแล้วว่ามีความเข้าใจกันได้ทำความเข้าใจกันได้สามารถทำความเข้าใจกันได้ แล้วอะไรเล่าที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นได้มันก็มีแต่ธรรมะธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นได้ธรรมะจะช่วยให้มีอะไรบ้างก็ควรจะลองพิจารณาดูข้อที่หนึ่งธรรมะนี้จะช่วยให้มีเมตตาสามาคัคคีร่วมสุขร่วมทุกข์กันเดี๋ยวนี้ความที่ไม่มีเมตตาไม่มีความสามัคคี ไม่มีความรักอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันมันก็ยิ่งค่าฟันเบียดเบียนกันยิ่งขึ้นทุกทีดังที่ปรากฏอยู่และหนาหูยิ่งขึ้นการเบียดเบียนกันในโลกนี้ทวีมากขึ้นตามที่ธรรมะมันร่อยหลอดไปพูดได้ว่าสมัยก่อนมีธรรมะคุ้มครองอยู่ในโลกมากเดี๋ยวนี้ธรรมะร่หลอดไปความเห็นแก่ตัวมันเข้ามาแทน บูชาตนเองยิ่งกว่าบูชาธรรมะโลกจึงได้เป็นอย่างนี้ถ้าธรรมะเข้ามาก็จะเกิดความเมตตาความสามัคคีความรักใคร่ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นมันก็จะมีมาโลกก็จะผาสุกทีนี้ข้อที่สองธรรมะจะช่วยให้มีทิฏฐิสามัญญาตาคือความเห็นเสมอกันคือ มีความเห็นเสมอกันมีความรู้มีความเข้าใจมีความเชื่อมีอุดมคติอะไรเสมอกันคือเหมือนกันถ้ามีทิฏฐิมีความเห็นร่วมกันเสมอกันมันก็จะหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงขอให้คิดดูให้ดีๆเรื่องนี้สาคัญมากการที่จะทะเลาะวิวาทกันได้ก็เพราะว่ามีทิฏฐิไม่ตรงกัน เมื่อมีทิฏฐิไม่ตรงกันมันก็ทุ่มเถียงกันทะเลาะวิวาดกันแก่งแย่งกันหรือว่ามันจะเกลียดชังกันเพราะเหตุผลเพียงว่าคิดเห็นไม่เหมือนกันไม่มีเรื่องอะไรมากมีแต่เพียงว่าเขาไม่คิดอย่างเราก็โกรธเขาแล้วก็เป็นศัตรูกันแล้วแต่ถ้ามีทิฏฐิเสมอกันไปในแนวเดียวกันก็จะมีเกิดอาการอย่างที่กล่าวนี้ มีความคิดเห็นตรงกันว่าเรามีจุดหมายปลายทางร่วมกันสิ่งที่มีชีวิตมีจุดหมายปลายทางเป็นอันเดียวกันคือความพ้นจากอำนาจของกิเลสและไม่ต้องมีความทุกข์ทุกคนเกิดมาพร้อมที่จะมีกิเลสตามธรรมชาติตามที่ธรรมชาติสร้างมานั้นมันพร้อมที่จะมีกิเลสครั้นเมื่อมีกิเลสแล้วมันก็ต้องมีความทุกข์ฉะนั้น จุดหมายปลายทางของทุกคนจึงอยู่ที่ว่ากวาดความทุกข์เหล่านี้ออกไปเสียให้หมดสิน้นอยู่กันอย่างไม่ต้องมีความทุกข์เลยนี่จะเป็นผลดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเดี๋ยวนี้เราก็ยังไม่ถึงนั่นเราไม่หวังว่าจะถึงได้โดยง่ายเพราะว่ามีความคิดเห็นต่างกันแยกกันตามความคิดเห็นของตัวยึดถือแม้แต่ที่พึ่งก็ต่างกัน บางพวกก็ยึดถือที่พึ่งต่ําเกินไปจนคนอื่นเอาด้วยไม่ไหวคือยึดถือสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นที่พึ่งมาเป็นที่พึ่งไปเสียอย่างนี้และในที่สุดข้อที่สก็จะมีกรรมมัสามัญญาตาคือการกระทําที่เสมอกันถ้ามีธรรมะเป็นหลักยึดถือปฏิบัติอยู่ในโลกมนุษย์ทุกคนก็จะมีการกระทําเสมอกันในเรื่องศีล คือพื้นฐานขั้นต้นที่สุดเกี่ยวกับเรื่องศีลก็จะเป็นไปด้วยกันแนวเดียวกันกลมกลืนกันเสมอกันสูงขึ้นไปถึงสมาธิและปัญญาก็จะกระทาไปได้ในแนวเดียวกันคือแนวที่จะดับทุกข์ได้ประโยชน์ของธรร ม, มะมีอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นธรร ม, มะจึงเป็นสิ่งที่ต้องมีควรจะมีและจาเป็นที่จะต้องมีอยู่ในโลก แล้วเราจะมานิ่งเฉยเสียจะไม่รู้จักช่วยให้ผู้อื่นมีธรรมะนี้มันจะเป็นอย่างไรการที่มีธรรมะแต่ฝ่ายเดียวไม่ช่วยผู้อื่นให้มีธรรมะด้วยนั้นเรียกว่ามันยังโง่ยอยู่ครึ่งหนึ่งเพราะว่าถ้าช่วยให้มีธรรมะด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วโลกนี้ก็มีความสุขเต็มเปี่ยมสมบูรณ์เดี๋ยวนี้เราไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเอาละ่ะ ที่ว่านั่งฟังอยู่ที่นี่ใครเคยนึกบ้างว่าการช่วยคนอื่นให้มีธรรมะนั้นเป็นหน้าที่ของเราบางทีจะนึกว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่วัดเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์แต่ที่แท้นั้นมันเป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่มีธรรมะแล้วอย่างไรเพียงไรจงช่วยเหลือให้บุคคลอื่นมีธรรมะเท่าที่จะมากได้เท่าที่จะทาได้ เพราะว่าเมื่อมีธรรมมขึ้นมาในโลกแล้วก็จะทําให้เกิดผลดังที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าสามารถที่จะมีเมตตาสามาัคคีมีความคิดเห็นกลมเกลียวกันมีการกระทํากลมเกลียวกันโลกนี้ก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นอยากจะพูดว่าธรรมทานนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทุกคนควรพยายามกระทําเดี๋ยวนี้ดูเหมือนจะเข้าใจกันแต่เพียงว่า จะทำวัตถุทานทาทานทางวัตถุเท่านั้นไม่ค่อยนึกคิดถึงเรื่องจะให้ธรรมทานโดยถือเสียว่าไม่ใช่หน้าที่บ้างยากเกินไปบ้างอยู่นอกเหนือวิสัยบ้างข้อนี้ไม่ถูกถ้าจะเปรียบเทียบกันตามหลักธรรมะนั้นถือว่าธรรมทานนี้สูงสุดกว่าทานทั้งหลายวัตถุทานการให้วัตถุก็ดีอภัยทาน การให้ความไม่มีภัยก็ดีธรรมทานนั้นเหนือกว่าเลิศกว่าคือให้ธรรมะความรู้เป็นทานนั้นเหนือกว่าเลิศกว่าให้วัตถุเป็นทานหรือให้อภัยให้ความไม่เบียดเบียนให้วัตถุเป็นทานนี้เป็นธรรมดาเรียกว่ายึดมั่นกันเต็มที่ส่วนให้ความไม่เบียดเบียนนั้นรองลงมาคือไม่ค่อยจะมีส่วนให้ธรรมะเป็นทานนั้น ยิ่งหายากยิ่งขึ้นไปอีกข้อนี้ไม่ถูกเพราะว่ามันจะแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยการที่ทุกคนมีธรรมะมีความรู้ธรรมะสำหรับประพฤติปฏิบัติต่อตอนเองและต่อผู้อื่นมันอยู่ในวิสัยที่จะทำได้ให้วัตถุทานเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านก็มีคนให้แต่จะให้ธรรมทานสักคำหนึ่งก็หายาก แม้แต่จะให้แก่ลูกหลานเล็กๆในครอบครัวของตนพ่อแม่ไม่มีเวลาไม่มีจิตใจที่จะอบรมรูปให้รู้จักผิดถูกชั่วดีมีธรรมะถ้ามองกันให้ดีจะเห็นว่าธรรมทานนั้นมีผลมากกว่าทานอื่นๆจริงๆวัตถุทานก็ช่วยกันแต่เรื่องมีชีวิตอยู่รอดอภัยทานก็เป็นเรื่องมีชีวิตอยู่รอดแต่มันยังไม่ดับทุกข์ มีชีวิตอยู่รอดอย่างเป็นทุกข์หน้ามันดีอะไรเขาให้มีชีวิตอยู่แต่เขาให้รับทุกข์ทรมานอยู่นี้มันดีอะไรเมื่อราชีวิตอยู่แล้วมันจะต้องไม่มีความทุกข์ด้วยจึงจะนับว่าดีมีประโยชน์ข้อนี้สําเร็จด้วยธรรมทานมีความรู้ธรรมะแล้วรู้จักทำให้ไม่มีความทุกข์รู้จักป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์รู้จักหยุดความทุกข์ที่กาลังเกิดอยู่ เลยธรรมทานจึงมีผลกว่าในลักษณะอย่างนี้มันช่วยให้ชีวิตไม่เป็นหมันวัตถุทานและอภัยทานช่วยให้รอดชีวิตอยู่บางทีก็อยู่เฉยๆมันสักว่ารอดชีวิตอยู่เฉยๆแต่ถ้ามีธรรมทานเข้ามาก็จะสามารถช่วยให้มีผลดีถึงที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเพราะฉะนั้นขอให้สนใจในเรื่องธรรมทาน พูดไปก็เดี๋ยวจะกระทบกระเทือนแต่ก็ต้องพูดว่าทำบุญสักล้านหนึ่งได้ผลอะไรบ้างแล้วก็ทำให้คนมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องแม้เพียงคนเดียวมีผลอะไรบ้างไม่ได้ลงทุนซักบาทเดียวซักสตังค์เดียวแต่ว่าเสียแรงพูดหน่อยแล้วก็ทำให้คนมีความรู้ถูกต้องออกมาเสียจากมิจฉาทิฐิได้อย่างนี้อันไหนจะมีผลมากกว่ากัน ที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวกลับจะมีผลมากกว่าที่ต้องลงทุนตั้งร้านหนึ่งที่เขาทำบุญตั้งร้านๆมันยังไม่แน่ว่าจะทำให้ใครละมิชัานทิฏฐิดำรงตนอยู่ในความถูกต้องได้แต่ถ้ามีธรรมทานการพูดจานี้มันแน่นอนมันแน่นอนที่ว่าจะทำให้คนมีความรู้และดำเนินตนอยู่อย่างปราศจากความทุกข์ได้ทาไมจึงไม่คิดอย่างนี้กันบ้าง ความยึดถือทางวัตถุมันมากเกินไปเพราะว่าไม่ค่อยมีใครจะพูดว่าให้ธรรมะเป็นทานแล้วก็ได้สวรรค์วิมานนับพันนับหมื่นเหมือนกับที่เขาพูดว่าให้วัตถุสิ่งของเงินทองเป็นทานแล้วก็ได้วิมานนับสิบนับร้อยไม่มีใครพูดถ้ามีพูดกันให้จริงตามความเป็นจริงว่าให้ธรรมทานจะได้ผลเป็นความสุขอย่างสวรรค์วิมานนั้นเกินไปเสียอีก นับหมื่นนับแสนนับด้านก็ได้เพราะว่ามันเป็นความสุขที่ไม่เจอด้วยทุกข์เรื่องสวรรค์วิมานอย่างที่กล่าวกล่าวกันนั้นยังเป็นสุขที่เจืออยู่ด้วยความทุกข์เพราะมันต้องมีกิเลสมากมันจึงจะสวยสวรรค์วิมานเหล่านั้นถ้าไม่มีกิเลสแล้วมันไม่อาจจะสวยสวรรค์วิมานเหล่านั้นได้มันเลยต้องมีกิเลสมากกว่าคนธรรมดามันจึงจะสวยสวรรค์วิมานเหล่านั้นได้ ทีนี้ให้ธรรมทานมีจิตใจอยู่เหนือกิเลสไม่ประกอบไปด้วยกิเลสมันก็ไม่มีปัญหามันก็สวยความสุขชนิดที่ไม่เกี่ยวกับกิเลสดังนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่เหนือกว่าเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนพยายามให้ธรรมทานคือทำให้บุคลบคลอื่นมีธรรมะทำให้บุคคลอื่นมีธรรมะแล้วก็จะได้ผลชนิดที่ละเอียด ลึกซึ้งประณีตประเสริญยิ่งกว่าให้วัตถุทานนี่พูดไม่โกรวดว่าคนจะเลิกให้ทานแล้วก็จะมาให้ธรรมทานกันเสียหมดพระจะไม่มีอะไรฉันก็ไม่กลัวเขาบอกความจริงว่าให้ธรรมทานนั้นมันยังมีผลมากกว่าวัตถุทานอยู่นั่นเองส่วนข้อที่ว่าทําไม่ได้ทาไม่ไหวไม่มีความรู้นั้นไม่จริงอย่าไปเชื่อ คนที่พูดว่าต้องเป็นพระอาหารหันต์เองเสียก่อนแล้วจึงจะสอนผู้อื่นข้อนี้ไม่จริงเรารู้เท่าไรเราดับทุกข์ได้เท่าไรก็จงสั่งสอนเท่านั้นยังมีคนที่รู้น้อยกว่าเราถมไปตั้งแต่ลูกเด็กๆลูกๆหลานๆคนใช้คนกรรมกรคนชาวบ้านยังรู้ธรรมะน้อยกว่าเราอีกมากมายก็สอนได้ เรามีความทุกข์น้อยกว่าเราก็จะสามารถที่จะสอนคนที่มีความทุกข์มากกว่าหมอก็ยังเป็นโรคภัยไข้เจบ็บ <_ sonic> เห็นไหมแต่หมอก็ยังรักษาคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บได้หมอคนไหนไม่เป็นโรคภัยไข้เจบ็บไม่เห็นมีแต่หมอที่ยังมีโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละเขารักษาคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะฉะนั้นเรายังมีความทุกข์อยู่บ้างนี้ มีความทุกข์อยู่เท่าไรก็ตามก็สามารถที่จะสอนคนให้พ้นจากความทุกข์ได้ตามสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดลูกหลานนั่นแหละควรจะอบรมควรจะสั่งสอนถ้าลูกหลานมีธรรมะแล้วปัญหาต่างๆจะหมดไปจะสืบสกุลได้ดีลูกหลานที่ไม่มีธรรมะนั้นไม่สามารถจะสืบสกุลดอกมันทาลายหมดไม่กี่ช่วเวลา มันก็ทำลายวงสกุลเสียหมดลูกหลานที่มีธรรมะนั่นแหละจะช่วยสืบสกุลได้ฉะนั้นพูดกันอยู่ตลอดเวลาก็แล้วกันโอกาสมีเมื่อไรก็พูดเมื่อนั้นให้รู้เรื่องกิเลสว่ากิเลสเป็นอย่างไรความทุกข์เป็นอย่างไรกิเลสนี้มันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรเรื่องมันก็มากแต่ว่าอย่างน้อยมันก็สรุปใจความได้ว่ากิเลสนี้มันเกิดมาจากความโง่ ความไม่รู้ที่เรียกว่าอาวิชชาเมื่อโง่ไม่รู้แล้วมันก็ทำผิดทำผิดจนเกิดความผิดขึ้นมาในจิตใจก็เรียกว่ากิเลสมันโง่ไปรักอะไรเข้ามันก็เกิดความโลภมันโง่ไปเกลียดอะไรเข้ามันก็เกิดความโกรธมันโง่มันสงสัยมันหลงไหลวนเวียนมันก็เกิดความหลงความโลภความโกรธ ความหลงนี้มันเกิดมาจากอาวิชชาความไม่รู้ตามที่เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่รู้เรื่องอนัตตาคือเรื่องไม่มีตัวตนนะ่ะมันไม่รู้จึงปล่อยไปตามสัญชาตญาณเดิมๆของธรรมชาติก็เกิดความรู้สึกคิดนึกเป็นตัวตนตัวตนมากขึ้นมากขึ้นครั้นมีความยึดถือเป็นตัวตนมากขึ้นก็เกิดความเห็นแก่ตน คำนี้สำคัญมากช่วยจำไว้ให้ดีๆว่าความเห็นแก่ตนนั่นแหละเป็นตัวสิ่งเวลวยที่สุดจงรู้ไว้เข้าใจไว้แล้วก็สั่งสอนลูกเด็กๆ เ, เล็กๆให้มันลดความเห็นแก่ตนนี่ยอดของธรรมะที่จะสอนให้แ ก, เก่เด็กๆลูกเด็กๆอย่ากเข้าใจว่าลูกเด็กๆไม่ต้องการธรรมะชั้นสูงเรื่องไม่มีตัวตนหรือเริ่มไม่ยึดมั่นถือมั่น นั่นมันคนหลับตาพูดพูดทั้งไม่รู้มันหลับตาพูดเด็กๆก็จะต้องได้รับความรู้เรื่องธรรมบานที่ถูกต้องและสูงเพียงพอเพราะว่าถ้าเด็กๆเห็นแก่ตนมันก็เกิดความทุกข์มากมายเด็กๆเห็นแก่ตนมันก็ยึดมั่นถือมั่นจงดูลูกเด็กๆของเราให้ดีๆเข้าใจให้ดีๆว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างทำไมเด็กๆ ลูกเล็กๆของเราดื้อเพราะมันเห็นแก่ตนมันยึดมั่นถือมั่นเรื่องของตัวปูยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวกูของมันตีให้ตายมันก็ไม่ยอมเด็กๆบางคนฉะนั้นทำไมมันจึงดื้อเพราะมันไม่รู้เรื่องไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือมันไม่รู้เรื่องที่ว่าไม่มีตัวตนมันมีตัวตนเห็นแก่ตนมันก็ดื้อ ดื้อตาใสาดื้อจนพ่อแม่อยากจะตายเสียเองเพราะลูกมันดือ้อทีนี้ทำไมเด็กๆมันจึงโมโหง่ายโกรธง่ายทะเลาะวิวาทกันแม้กับพี่น้องกันแท้ๆมีเพราะมันเห็นแก่ตนมีความยึดมั่นถือมั่นมากทำไมเด็กๆจึงร้องไห้ง่ายในกรณีที่จะร้องไห้มันร้องไห้ง่ายอะไรหายหน่อยมันก็ร้องไห้ไม่ได้อะไรหน่อยมันก็ร้องไห้ สอบไร้ตกมันก็ร้องไห้นี่เพราะยึดมั่นถือมั่นแล้วเพราะมันเห็นแก่ตนมันไม่มีสติ ป, ปัญญาในข้อนี้รวมความว่าเรื่องเห็นแก่ตัวทุกอย่างนะ่ะเด็กๆมันก็มีฉะนั้นเด็กๆควรจะได้รับคําสั่งสอนเรื่องนี้เรื่องไม่ให้เห็นแก่ตนให้ลดความเห็นแก่ตนให้เห็นแก่ผู้อื่นให้เห็นแก่ธรรมะให้เห็นแก่ความจริง ให้เห็นแก่ความถูกต้องเด็กๆ เ, เขาก็จะได้รับผลดีมีความสงบสุขไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเรื่องต่างๆอย่างที่กล่าวมาแล้วไม่ดือ้อไม่โมโ oh, หไม่เศร้าส้อยโศกเศร้ า, ส เ, ราเสียใจง่ายแล้วก็ไม่บ้าไม่หลงในเรื่องสวยงามอ ร, อร่อยสนุกสนานเดี๋ยวนี้พ่อแม่ไม่เห็นว่าเรื่องนี้สำคัญนี่พ่อแม่เองก็ไม่รู้เรื่องนี้ แล้วก็ไม่เห็นว่าเรื่องนี้สำคัญจึงปล่อยให้เด็กเป็นไปตามบุญตามกรรมตัวเองก็ยังปล่อยไปตามบุญตามกรรมธรรมะก็ไม่มีทั้งแก่แม่พ่อและแก่ลูกของตนเรื่องมันก็เป็นไปนในทางที่จะต้องเร่าร้อนจะต้องกระบวนกระวายในครอบครัวฉะนั้นมีเวลาสักเท่าไรเมื่อไรแม้แต่สักนิดหนึ่งก็ต้องพูดคาใดคาหนึ่งให้เด็กๆ เ, เขารู้สึกได้ เรื่องเช่นนั้นเองเรื่องเช่นนั้นเองเป็นเรื่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาแต่มีคนบางคนว่าไม่ควรเอามาสอนเด็กๆนั่นคนโง่พูดจะต้องเอาเรื่องที่สูงสุดในพุทธศาสนาที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั่นแหละมาสอนลูกเด็กๆตามสมควรแก่กาลเทศะหรือสถานะอะไรก็ตามให้ลูกเด็กๆเขารู้จักความเป็นเช่นนั้นเองไปตั้งแต่เล็กๆ มันจะได้ไม่กลัวผีมันจะได้ไม่กลัวไสเดือนกิ้งคือตุ๊กแกเหล่านี้มันจะไม่ทําอะไรอย่างโง่ๆพราะรู้จักความเป็นเช่นนั้นเองของธรรมชาตินี่ขอให้พ่อแม่แต่ละคนพิจะะนารณาดูให้ดีว่าจะทําประโยชน์ให้แก่ลูกของตนสูงสุดอย่างไรเท่าไหรนั้นมันจะทําได้อย่างไรขอยืนยันเดี๋ยวนี้ว่าทําให้เขามีธรรมะ ทำให้ลูกเด็กๆมีธรรมะมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เท่าที่จะรับเอาได้แล้วก็เพิ่มเติมยิ่งๆขึ้นไปทุกทีจนกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็มีธรรมะสมบูรณ์การที่ทำให้ผู้อื่นมีธรรมะรู้ธรรมะนั้นเป็นพระพุทธประสงค์ถ้าใครไม่อยากจะสนองพระพุทธประสงค์ก็ตามใจก็ปล่อยไปอย่างเดิมแต่ถ้าใครอยากสนองพระพุทธประสงค์แล้ว จงช่วยกันทำให้ผู้อื่นมีธรรมะข้อนี้เห็นได้จากพระพุทธดำรัสที่ทรงส่งภิกษุทั้งหลายไปประกาศพระาศาสนาคือเมื่อพระองค์มีสาวกได้เพียงหกสิบรูปเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรนักในช่วงเวลาปีนั้นมีสาวกเกิดขึ้นห ก, กสิบรูปก็ทรงส่งไปประกาศพระาศาสนาทันทีจะเป็นคาสั่งก็ได้จะเป็นคาขอร้องอ้อนวอนก็ได้ เป็นคำต่อรองกันก็ได้ที่ว่าเป็นคําสั่งก็ว่าจงไปจงไปเพื่อประโยชน์สุ ข, สขเกือ้อกูลแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์คือว่าเดี๋ยวนี้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงที่เป็นบ่วงทิพย์และบ่วงมนุษย์คือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมนุษย์หรืออย่างเทวดาก็พ้นหมดแล้วฉันเองก็พ้นแล้วจากบ่วงที่เป็นทั้งอย่างบ่วงทิพย์และบ่วงมนุษย์ ฉะนั้นเราจงไปเพื่อประโยชน์สุกเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์เธอทั้งหลายจงจาริกไปเราให้แยกกันไปเป็นองค์ๆนะเป็นองค์ๆอย่าไปทางเดียวกันสององค์มันเปลืองคนให้ไปทางละองทางละองมันก็จะได้ถึงหกสิบทางแม้ฉันก็จะไป คำต่อรองของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฉันจะใช้แต่พวกเธอให้ไปแม่ฉันก็จะไปยังตำบลอูรุเวลาเสนานิคมแล้วพระองค์ก็ไปทำงานสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่คือปลดฉนิมพันรูปให้เลิกละละทัทธิเดิมมานับถือพระพุทธศาสนาได้รับความสุขประโยชน์เกือ้อกูลสักเท่าไหร่ก็ลองคิดดูนี่ฟังอีกทางหนึ่งก็เป็นคาสั่งเป็นคาขอร้องเป็นคาอ้อนวอน เป็นคำวิงวอนกระทั่งเป็นคำต่อรองว่าไม่ใช่ว่าฉันจะให้เธอทำข้างเดียวแม่ฉันก็จะทำนี่เอาสิพระพุทธเจ้าท่านเห็นความสำคัญของการทำให้ผู้อื่นรู้ธรรมะว่ามันสำคัญถึงขนาดนี้เรียกสั้นๆก็ว่าเห็นความสำคัญของธรรมทานการให้ทำมันมีความสำคัญถึงอย่างนี้ การทำให้ผู้อื่นรู้ธรรมะนั้นเป็นพุทธประสงค์ถ้าเราจะสนองพระพุทธประสงค์กันให้ตรงพุทธประสงค์แล้วจงสนองด้วยการทำให้ผู้อื่นรู้ธรรมะสนองด้วยการสร้างโบสถ์วิหารวัดวาอารามถวายข้าวปรอาหารอะไรต่างๆมันไม่เท่ากันกับทำให้ผู้อื่นรู้ธรรมะนี่ขอให้ฟังดูให้ดีๆว่า ถ้าจะทำให้ถูกตรงตามพุทธประสงค์อย่างยิ่งแล้วคือช่วยกันทำให้ผู้อื่นรู้ธรรมะไม่ได้มีตรสันเสริญอะไรยิ่งไปกว่าธรรมทานทานมีถึงสามชนิดวัตถุทานอภัยทานธรรมทานในบรรดาทานเหล่านั้นธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งปวงนีสนองพระพุทธประสงค์กันทุกคนอย่าเห็นแก่ตัวจนถึงกับว่า ไม่มีเวลาจะพูดจากับใครเห็นใครพอจะเตือนสติได้ก็ควรจะทำแล้วก็ทำให้มันถูกเรื่องถูกราวอย่าทำด้วยอวิชชาทำเอาหน้าทำด้วยอวิชชานั้นเดี๋ยวจะถูกด่ากลับมาเพราะว่ามันไปนสอนเขาด้วยอำนาจอาหาังการมัมมังการของตนอย่างนี้มันจะถูกด่ากลับมาต้องใคร่ครวญให้ดีถึงที่สุดอย่างยิ่ง ว่ามีความทุกข์อยู่เพราะเหตุอะไรแล้วก็ทำให้เขามีความสำนึกตนเขาก็จะกลัวความทุกข์แล้วเขาก็จะพยายามที่จะพ้นทุกข์มันก็ง่ายเพราะความประสงค์มันตรงกันความคิดความเห็นมันตรงกันต้องการจะดับทุกข์ด้วยกันมันก็ง่ายฉะนั้นคอยดูให้ดีๆคนบ้านใกล้เรือนเคียงก็มีโอกาสที่จะพูดจาคำสองคาก็สุดแท้ ให้เขาได้มีความรู้ในธรรมะรู้สึกในธรรมะให้เดินถูกทางเรียกว่าให้เดินถูกทางคือทำให้มีธรรมะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเป็นเงินแม้แต่บาทเดียวแต่เสียเวลาบ้างแต่แล้วเสียเวลาบ้างนั้นมันกลับได้บุญได้กุศลมากยิ่งกว่าเสียเงินตั้งล้านล้านทำบุญชนิดเสียเงินเป็นล้านล้านบางทีจะได้บุญไม่เท่ากับว่าพูดสักสองถา จนเขาเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เป็นเหมือนเกิดใหม่เปลี่ยนจากมิจฉาทิฐิมาเป็นสัมมาทิฐิเหมือนกับว่าเกิดใหม่อย่างนี้ตีราคาไม่ไหวดอกเหลือวิสัยที่จะตีราคานี้ถ้าทำได้สักสองถึงสามคนมันก็คุ้มแล้วถ้าทำได้มากเท่าไรก็เหมือนกับช่วยกันสร้างโลกนี้ใหม่ให้โลกนี้มันดีขึ้นให้โลกนี้มันเป็นโลกของมนุษย์ที่เป็นสัมมาทิฐิ มีแต่จะสร้างสรรค์ความสุขความสงบหรือพระนิพพานช่วยกันสร้างโลกนี้ให้มันเป็นโลกของพระอริยะเจ้ามีแต่ความสงบสุขนี่ขอให้คิดดูให้ดีว่าการทำผู้อื่นให้รู้ธรรมะนั้นสำคัญอย่างไรสำคัญเท่าไรและจำเป็นเท่าไหร่ทว่าโลกนี้มีคนที่ไม่มีธรรมะมากคนที่มีธรรมะก็จะอยู่ไม่ได้ ก็จะต้องหนีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้การที่ทำให้มีธรรมะนั้นมันทำให้อยู่ร่วมโลกกันได้และเป็นสุขด้วยกันทุกฝ่ายพระพุทธเจ้าคงจะทรงมองเห็นความจริงข้อนี้จึงทรงเป็นห่วงที่สุดเอาใจใส่ที่สุดในการที่จะส่งพระสาวกให้ไปประกาศพระศาสนาในทันทีที่พอจะมีส่งห0สองค์เท่านั้นส่งไปคนละทิศคนละทาง เดียวก็มากขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนความสงบสุขมันก็เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ผู้ที่มีธรรมะการทำให้ผู้อื่นมีธรรมะนี้ขอให้สนใจต่อไปในข้อที่ว่าผู้อื่นคือใครการทำผู้อื่นให้มีธรรมะผู้อื่นนั้นคือใครตามธรรมดาคำว่าผู้อื่นผู้อื่นนั้นมักจะเป็นคาที่เราไม่ต้องรับผิดชอบ เราไม่ต้องเอาใจใส่ก็รีเสียว่าผู้อื่นผู้อื่นเป็นอะไรเราไม่ต้องรับผิดชอบแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคําว่าผู้อื่นในที่นี้เป็นผู้ที่เราต้องรับผิดชอบต้องเกี่ยวข้องต้องเอาใจใส่ผู้อื่นคํานี้หมายความว่าถ้านอกไปจากตัวเราแล้วก็เรียกว่าผู้อื่นทั้งนั้นแม้แต่ลูกหลานปุต ภรรยาสามีใครก็ตามที่ว่าพอสักว่านอกออกไปจากตัวเราก็เรียกว่าผู้อื่นแล้วก็มีผู้อื่นที่ไกลออกไปไกลออกไปจนเป็นผู้อื่นที่ไกลกระทั่งว่าไม่เคยรู้จักมักคุณก็เป็นผู้อื่นคนทั้งโลกก็เป็นผู้อื่นต่อเราแล้วเราจะต้องทำให้ผู้อื่นนั้นมีธรรมะให้จนได้มาดูที่คำว่า ผู้อื่นแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วก็จะมาดูพร้อมกันไปว่าจะทำให้เขามีธรรมะได้อย่างไรผู้อื่นชุดแรกก็จะแยกเป็นว่าคนในครอบครัวก็คือผู้อื่นคนในหมู่บ้านบ้านเมืองหรือประเทศร่วมประเทศกันก็ผู้อื่นแล้วคนร่วมโลกอยู่ในโลกเดียวกันก็คือผู้อื่นจะต้องให้ถูกต้องตามสถานะของผู้อื่น ผู้อื่นพวกแรกคือคนในครอบครัวมันก็ต้องสนใจไปตั้งแต่ที่ยังเป็นเด็กเด็กทารกเด็กวัยรุ่นเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกระทั่งเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นบุตรภรรยาสามีกระทั่งเป็นผู้เท่าผู้แก่คุณตาคุณยายล้วนแต่อยู่ในครอบครัวเดียวกันผู้อื่นอย่างนี้จะช่วยให้มีธรรมะได้ทางนั้น อบรมลู ก, เ ด, กเด็กให้รู้จักยึดถือความจริงความถูกต้องไม่งมงายยึดถือหลักที่ว่าเราต้องไม่เห็นแก่ตัวเราต้องเห็นแก่ผู้อื่นพอเห็นแก่ตัวเราจะต้องทำอะไรผิดโดยไม่รู้ตัวเช่นเราจะไปทำร้ายเขาหรือว่าพอเห็นแก่ตัวเราก็เอาเปรียดเขาจนเขาเกลียดน้ำหน้าจนเราไม่มีเพื่อน อย่างนี้เรียกว่ามันเห็นแก่ตัวความรู้สึกทางศัยศาสตร์ก็เหมือนกันควรจะป้องกันกันเสียแต่เล็กๆว่าอย่าต้องไปพึ่งผีสางเทวดาอะไรเหล่านั้นเลยจงรู้จักการกระทำของตัวว่ากระทำถูกต้องแล้วก็จะเป็นที่พึ่งได้ฉะนั้นเราก็เป็นผู้พึ่งตัวเองมีธรรมะมีธรรมะคือพึ่งตัวเองถ้าไม่มีธรรมะจะพึ่ง จึงจะต้องไปพึ่งผู้อื่นไปพึ่งสิ่งอื่นแล้วก็สอนกันมาสืบต่อกันมาในฐานะเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัตว์ศักดิก์สิทธิ์เป็นเทวดาศักดิ์สิทธิ์และขอร้องอ้อนวอนจับเด็กๆนั้นให้ไปเป็นทาสของผู้ผีปีศาจของเทวดาเสียโดยไม่รู้สึกตัวเขาเกิดมาเป็นอิสระก็มาเป็นทาสเพราะพ่อแม่สอนผิดถ้าพ่อแม่รู้จักเรื่องนี้ นัสอนให้ถูกเด็กๆ ก, ก็จะไม่ต้องตกเป็นทาสของสยาสตร์ทั้งหลายจะไม่ต้องไปนั่งไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่รู้ว่าตนจะต้องทำอย่างไรแล้วรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือรู้ว่าการกระทำของตนนั่นแหละหน้าที่ของตนนั่นแหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องทำให้ถูกต้องและมันก็จะศักดิ์สิทธิ์คือจะช่วยได้จริง เดี๋ยวนี้เราไม่ได้รับคำสั่งสอนอย่างนั้นมาตั้งแต่เล็กๆ ก, ก็บอกได้ว่าตนเองก็เหมือนกันเมื่อเด็กๆนี้ยังเคยไปนั่งไหว้ไปจุดธูปเทียนพ่อท่านในกุฏิให้ช่วยให้สอบไล่ได้รู้กันหรือไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ก็เคยทำพอมานึกถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็สงสารตัวเองฉะนั้นจึงอยากจะให้พ่อแม่ทุกคนรู้จักเรื่องนี้เอาไว้ จะได้อบรมสั่งสอนลูกเด็กๆให้รู้จักความถูกต้องความจริงควรจะทำอย่างไรถ้าจะให้สอบไล่ได้ควรจะทำอย่างไรของหายก็ไปบนบานผีสางเทวดาอะไรที่ไหนอะไรอะไรหน่อยก็มีแต่จะไปบนบานจุดทุกจุดเทียนแล้วก็กลัวมากจนกระทั่งว่ามันงมงายไปหมดตั้งแต่มาอยู่ที่นี่มีคนมาให้เป่าหัวนี่ นับได้สิบสิบคนแล้วมาให้เป่าหัวบอกว่าไม่ได้เล่าเรียนทำไม่เป็นก็ยังไม่เชื่อยังโกรธเอาแล้วอีกอย่างหนึ่งเอาเด็กๆมาให้ผูกมือว่ากลัวมันจะตายฝันร้ายเอาลูกเล็กๆมาให้ผูกมือบอกว่าฉันไม่เชื่อดอกฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อแล้วฉันจะทำอย่างไรได้เล่าเขาก็โกรธเสียอีก ว่าไม่ยอมทําตามความประสงค์นี่เป็นเรื่องไสยศาสตร์เป็นตัวอย่างทางเรื่องไสยศาสตร์ที่เราได้ปล่อยให้ครอบงําลูกเด็กๆ เ, เรื่อยๆจนลูกเด็กๆไม่มีหลักเกณฑ์อันมั่นคงของธรรมะหวันไหวจิตใจอ่อนไหวไปตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่เชื่อเชื่อกันมากลัวแม้กระทั่งจิ้งจกตุกแกไซเตือนถือโชคถือรางอย่างนั้นอย่างนี้จนเรียกว่า มันหม่อนไหวไปหมดทั้งวันทั้งคืนถ้าทำให้เด็กๆปลอดจากสิ่งเหล่านี้ได้ก็นับว่าเป็นการดีคือทำให้มีธรรมะเด็กๆ เ, เขาจะได้รู้จักความจริงชั้นมูลฐานชั้นรากฐานไปตั้งแต่เล็กๆแล้วจะได้ดาเนินไปตามร่องรอยนั้นให้ถูกต้องเขาจะมีความเห็นแก่ตัวน้อยถ้าเห็นแก่ตัวน้อยแล้วเป็นใช้ได้เขาจะไม่โกรธง่าย เขาจะไม่โลภมากเกินไปเขาจะไม่ขี้คลาดงมงายมากเกินไปจะไม่เอาอะไรอะไรทุกอย่างซึ่งมาจากความไม่รู้ครั้นเป็นเด็กวัยรุ่นรุ่นหนุ่มรุ่นสาวขึ้นมาก็จะรู้จักบังคับกิเลสบังคับตนคือบังคับกิเลสไม่ให้กิเลสครอบงำแล้วก็ไม่ทำผิดตามแบบคนหนุ่มคนสาวที่ไม่มีธรรมะไม่ได้รับการอบรมธรรมะมาอย่างเพียงพอ มันก็ทำอะไรผิดผิดครั้นมาเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ยังชักจูงลูกให้ทำอะไรผิดผิดเพราะไม่รู้แม่เสียเองพ่อเสียเองเป็นผู้ชักจูงกระทำตัวอย่างให้ดูลูกมันก็ทำตามไปหมดมันก็เลยถ่ายทอดสิ่งที่ไม่รู้ร้อยศยศาสตร์ที่น่าสงสารนี้สืบต่อกันไว้อย่างไม่รู้จักขาดสายขาดตอนนี่ขอให้ทาผู้อื่นให้มีธรรมะ นับตั้งแต่คนในครอบครัวผู้อื่นพวกที่สองที่จะช่วยให้ธรรมะคือเพื่อนบ้านทีนี้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนอกครอบครัวคนในหมู่บ้านเดียวกันในเมืองเดียวกันในประเทศเดียวกันนี่มันจะต้องมีธรรมะที่แปลกออกไปว่าเราจะอยู่ร่วมบ้านร่วมเมืองร่วมประเทศกันได้อย่างไรต้องรู้จักรนะับผิดชอบว่าบ้านเมืองของเรา เราต้องรับผิดชอบต้องเสียสละได้โดยง่ายาดที่จะช่วยกันทำให้บ้านเมืองนี้อยู่รอดอยู่รอดไปทุกความหมายคือไม่ยากจนไม่ยุ่งยากลาบากเรื่องเจ็บเรื่องไข้เรื่องปัญหานาน า, นาชนิดช่วยกัน ร, ร่วมมือกันจนทำให้เป็นบ้านเมืองชนิดที่มีปัญหาน้อยหรือไม่มีปัญหาอย่างที่รัฐบาลก็ต้องการอย่างยิ่ง พัฒนาอย่างนั้นพัฒนาอย่างนี้พัฒนาอย่างโน้นก็เพื่อให้เกิดผลอย่างที่ว่ามานี้แต่ก็ไม่ได้ทำให้มันถูกเรื่องถูกความจริงที่ว่าทำให้เขามีธรรมะถ้ารัฐบาลสามารถทำให้พลเมืองมีธรรมะได้แล้วก็จะหมดปัญหาไม่ต้องชักจูงหรือไม่ต้องบีบบังคับหรือไม่ต้องลอ่อมไม่ต้องหลอกไม่ต้องอะไรดอกถ้าพลเมืองมีธรรมะแล้ว ก็สมัครทาด้วยความพอใจแล้วก็ทาได้จริงทำได้สำเร็จประโยชน์เดี๋ยวนี้กลับจะไม่ค่อยมองเห็นทำให้มีธรรมะ ก, การเสียก่อนมีแต่ไปชักจูงอย่างอื่นซึ่งบางทีมันก็กลายเป็นเรื่องทำให้ไม่มีธรรมะไปเสียก็มีบางทีว่าอยากจะได้ภาษีอะไรมากๆ ก, ก็ปล่อยให้ประชาชนทำสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างนี้ก็คือไม่มีธรรมะ มันก็ไม่สําเร็จประโยชน์เอาละ่ะแม้แต่เพื่อนร่วมบ้านร่วมเมืองร่วมประเทศของเราเราก็หาโอกาสที่จะคอยให้สติเขาตักเตือนเขากระซิบกระซาบกับเขาให้เขาคิดได้ให้เขานึกได้ด้วยตนเองแล้วเขาก็กระทําของเขาเองอย่าถึงกับไปยกตนข่มเขาแล้วก็อวดติบอวดตีอะไรอย่างนั้นมันก็ไม่มีทางจะสําเร็จ มันต้องทำด้วยความสุภาพอ่อนน้อมถูกต้องเรียบร้อยให้เขามองเห็นด้วยตนเองว่ามันควรทำอย่างนั้นควรทำอย่างนั้นผู้อื่นพวกสุดท้ายที่จะช่วยให้ธรรมะคือเพื่อนร่วมโลกทีนี้มาถึงเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมโลกก็เป็นผู้อื่นที่เราจะต้องนึกถึงเขาอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งโลก เราจะช่วยกันทําไม่มีอะไรดีกว่าธรรมะการทําให้ธรรมะมีอยู่ในโลกนั่นแหละคือช่วยคนทั้งโลกถ้าจะช่วยคนทั้งโลกให้ปลอดภัยก็จงทําให้ธรรมะมีอยู่ในโลกแล้วธรรมะมันช่วยเองธรรมะมีหน้าที่อย่างแน่นอนอย่างนั้นตายตัวอย่างนั้นใครมีธรรมะธรรมะก็ช่วยคนนั้นเมื่อช่วยให้ธรรมะมีอยู่ในโลกโลกก็มีธรรมะ โลกนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือจากธรรมะจากพระธรรมเราก็ทำทุกอย่างอย่างที่ว่าการเผยแผ่พระศาสนานี่ต้องการจะเผยแผ่ไปให้ทั่วโลกนี่ก็คือทำให้โลกมีธรรมะทำผู้อื่นให้มีธรรมะคิดดูสิมันก็จะมองเห็นความหวังว่ามันจะมีสันติภาพคนในครอบครัวเราก็ช่วยให้มีธรรมะ คนนอกครอบครัวเราก็ช่วยให้มีธรรมะคนทั้งโลกเราก็ช่วยให้มีธรรมะผู้อื่นชุดที่2ทีนี้ก็ยังจะต้องดูให้ละเอียดลงไปอีกชุดหนึ่งว่าคนปกติอยู่ปกติตามธรรมดาแล้วก็ควรมีความทุกข์ความร้อนแล้วก็ควรมีความสุขความเพลิดเพลนินนี่มันไม่เหมือนกันนะ 1. ช่วยให้ธรรมะแก่คนไม่มีปัญหา คนปกติไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์มีกินมีใช้ตามปกติเรียกว่าคนปกติเราก็ช่วยเขาให้มันถูกเรื่องของคนปกติตามปกติพูดกันอย่างคนปกติสอนท ร, รมาอย่างคนปกตินี้ก็มีหลักอยู่แล้ว 2. ช่วยคนที่กำลังมีความทุกข์ทีนี้ถ้าว่าคนกำลังมีความทุกข์ล่ะ เขากำลังมีความทุกโศกด้วยเรื่องอะไรหลายๆอย่างตามที่มันมีอยู่ในโลกกระทั่งว่าคนติดคุกติดตารางจองจํามีความทุกข์อยู่ก็เป็นคนมีความทุกข์เราจะช่วยเขาอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่เขาก็ต้องนึกคิดให้เหมาะคนมีความทุกข์ก็เรียกว่าเป็นเพื่อนทุกข์ก็ถือโอกาสชี้แจงเรื่องของความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ คนมีความทุกข์นั่นแหละกำลังเหมาะที่สุดที่จะฟังธรรมะเพราะว่าธรรมะนั่นมันเป็นเรื่องดับทุกข์นี่ถ้าคนไม่มีทุกข์มันก็ไม่สนใจธรรมะถ้าคนกำลังมีความทุกข์มันมีความพร้อมที่จะรับธรรมะเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสเมื่อเขามีความทุกข์นั่นแหละช่วยเปิดเผยธรรมะที่จะดับทุกข์ได้ให้เขาฟังแล้วเขาก็จะยินเดียรับฟัง และไปคิดไปนึกศึกษาแล้วจะได้ปฏิบัติตามคนมีความทุกข์ก็ต้องพูดกันแบบนี้ถ้าคนปกติสุขมันก็พูดกันพอสมควรตามปกติเพราะมันไม่มีความทุกข์มันก็ไม่สนใจธรรมะแต่ถึงอย่างนั้นก็มีเรื่องที่จะพูดกันตามสมควรด้วยเหมือนกันแต่ถ้าคนมีความทุกข์แล้วมันได้เปรียบแล้วเขากําลังต้องการธรรมะที่จะดับทุกข์ ขอแต่ให้เราพูดเรื่องที่มันจะดับทุกได้อย่าไปสอนเขาให้งมงายให้ไปหวังพึ่งไสยศาสตร์หรือว่าไปหวังพึ่งอะไรผิดๆต่อไปเสียอีกอย่างนั้นมันไม่ดับทุกให้รู้จักเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นให้รู้จักเรื่องมันเป็นเช่นนั้นเองจงทําใจคอให้ปกติแล้วจงมีสติสัมปชัญญะแล้วจงปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปด้วยดี มันก็จะดับทุกได้มันอย่างนั้นเองเกิดมาในโลกนี้มันต้องเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้มันต้องประสบกับความผิดหวังอย่างนี้แล้วเราก็แก้ลํามันโดยการที่ว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เอามาเป็นของเรามันเป็นของจิตที่โง่เขลาแต่คำว่าเราเราในที่นี้มันก็เป็นเรื่องของจิตที่โง่เขลาด้วยเหมือนกัน แต่จะพูดให้แยกออกไปอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เป็นเรื่องของเราจิตอย่างโง่เขลาเอาธรรมชาติมาเป็นตัวเรามาเป็นของเราความเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่เป็นปัญหาแก่เราพระพุทธเจ้าท่านสอนทั้งสองตอนนะว่าสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้ มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้มีความเจ็บความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บความตายไปได้แต่ท่านสอนอีกตอนหนึ่งว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายได้อาศัยเราเป็นกรลยานมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเกิดที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความแก่ ที่มีความเจ็บความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเจ็บความตายนี่มันน่าสงสารความไม่สมบูรณ์ของความรู้หรือไม่เอาคำสั่งสอนมาให้ครบถ้วนตามที่ทรงสั่งสอนว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาก็จริงแต่ถ้าได้อาศัยตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้วจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตาย คือมันไม่ทําความสําคัญมั่นหมายอะไรว่าเป็นตัวตนหรือของตนความเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นของธรรมชาติไปก็เลยไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่มีใครที่เป็นทุกข์นี่ระวังให้ดีๆเรื่องธรรมะนี้ต้องศึกษาให้ตลอดทุกขั้นตอนอย่าให้ครื่นๆกลางๆเราเป็นเพื่อนทุกข์กับคนที่มีความทุกข์ ชี้แจงให้เขาเห็นต้นเหตุแห่งความทุกข์คือยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเอาละเป็นเพื่อนทุกแก่บุคคลที่กำลังเป็นทุกข์นะ่ะเป็นโอกาสที่ได้บุญได้กุศลเหลือประมาณลองนึกถึงตัวเราเองถ้าเรามีความทุกข์แล้วมีคนมาช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ก็นับว่ามีบุญเหลือประมาณ 3. ช่วยให้ทรมากแก่คนกำลังสนุก นี้มันก็มาถึงคนประเภทที่สคือคนที่กำลังเป็นสุขสนุกสนานเพลิดเพลินมีกินมีใช้อยู่พวกนี้สอนยากที่สุดคนปกติธรรมดายังสอนง่ายคนที่มีความทุกข์ยังสอนง่ายยิ่งขึ้นไปอีกแต่คนกำลังมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินนี้สอนยากเพราะว่าความสนุกสนานเพลิดเพลินกำลังครอบงมจิตใจของเขา เขาเสวยรถของความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินมีความยินดีอยู่อย่างแรงกล้ามีนันทิราคะมีอะไรในความสุขเหล่านั้นอย่างแรงกล้าเลยสอนยากมันก็มีอยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะอย่าละโอกาสถ้ามีโอกาสที่จะพูดอะไรกันสักคำหนึ่งให้รู้เรื่องให้เตือนสติได้ก็ถือโอกาสพูดเตือนสติคนที่กาลังหลงไหลเพลิดเพลินนั้นให้ได้สานึกตัว ให้หยุดความลหลงไหลเพลิดเพลินนั้นเสียมาดํารงตนอยู่ในความถูกต้องพอดีพอดีนี่ที่จะสอนผู้อื่นให้มีธรรมะนี้มันมีปัญหาอย่างนี้แยกเป็นสพวกพวกหนึ่งเป็นคนปกติธรรมดาพวกหนึ่งมีความทุกข์อยู่พวกหนึ่งมีความสุขอยู่สอนเหมือนกันไม่ได้จะต้องหาคําพูดหรืออะไรอะไรที่เหมาะแก่บุคคล น, นั้นๆแต่ละคน เป็นคนคนไปอา้าวทีนี้ก็อยากจะให้ดูผู้อื่นอีกชุดหนึ่งชุดที่สามนี้ว่าคนที่อยู่ในฐานะต่ำกว่าคนที่อยู่ในฐานะที่เสมอกันและคนที่อยู่ในฐานะสูงกว่าหนึ่งคนที่ต่ำกว่าเราก็มีโอกาสที่จะสอนสอนได้ง่ายเพราะว่าเขายังเคารพนับถือเรา ยังอยู่ในพวกที่ว่าจะสอนง่ายถ้าเขาไม่เป็นคนอวดดีจองหองเย่อหยิ่งแล้วมันก็มีโอกาสที่จะได้รับคำสั่งสอนเพราะเขาอยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าผู้สอน 2. ถ้าเสมอกันนี้มันก็ยากขึ้นมาแหละจะสอนคนที่มีอะไรเสมอกันนั้นทรัพสมบัติเสมอกันอำนาจวาสนาเสมอกันรู้ธรรมะพอๆกัน นี่ก็สอนยากอยู่สักหน่อยสามคนที่สูงกว่าเขามีอะไรสูงกว่าสูงกว่าไปเสียทุกอย่างก็ยังสอนได้ตามโอกาสเพราะว่าคนเราอาจจะประมาทได้การที่สูงด้วยทรัพย์สมบัติอำนาจวาสนาอะไรเหล่านี้มันก็ยังมีปัญหาไปตามแบบนั้นๆอาจจะเตือนผู้ที่มีอำนาจให้สำนึกในความหลงอำนาจ เอาเถอะว่าลูกศิษย์ที่ฉลาดก็ยังอาจจะเตือนอาจารย์ให้สำนึกในความประมาทพลังเผลอได้แม้อยู่ในฐานะที่สูงกว่าเราเราก็ยังพูดให้มีธรรมะได้เอาละต่ำกว่าเราก็สอนไปอย่างหนึ่งเสมอกับเราก็สอนไปอย่างหนึ่งสูงกว่าเราก็สอนไปอย่างหนึ่งเรียกว่าสอนทั้งนั้นแหละคือทำให้มีธรรมะแล้วก็เรียกว่าสอนทั้งนั้นแหละ ทีนี้มองดูอีกชุดหนึ่งเป็นชุดที่สี่คนร่วมวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมร่วมกันนี้พวกหนึ่งแล้วคนต่างวัฒนธรรมนี้อีกพวกหนึ่งแล้วก็คนไม่มีวัฒนธรรมเลยนี้ก็พวกหนึ่งคนร่วมวัฒนธรรมนี้สอนง่ายพูดง่ายเพราะมันมีหลักเกณฑ์ตั้งต้นมาแต่อ้อนแต่ออกเหมือนเหมือนกันเช่นเกิดในตระกูลพุทธบริษัทด้วยกัน มีวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยกันมาตั้งแต่แรกเกิดอย่างนี้มันก็พูดกันง่ายคนที่ต่างวัฒนธรรมวัฒนธรรมไม่เหมือนกันต่างกันนี้ก็สอนยากเพราะพื้นฐานพื้นเพแห่งจิตใจของเขามีเป็นอย่างอื่นเสร็จแล้วมันก็สอนยากเช่นว่าเขามีพื้นเพมาในวัฒนธรรมที่ถือศาสนาศิศาสตร์เขามีวัฒนธรรมศิศาสตร์แล้ว มีวัฒนธรรมพุทธศาสตร์มันก็สอนกันยากเรียกว่าวัฒนธรรมมันต่างกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ด้วยความหวังดีไม่ไปลบหลู่ดูถูกใครพยายามพิสูจน์ให้เห็นว่าอย่างนี้ดับทุกข์ได้พิสูจน์ให้เห็นข้อที่ว่าอย่างนี้ดับทุกข์ได้เขาก็อาจจะเปลี่ยนแนวความคิดหรือยอมเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนหลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม มาถืออย่างเราก็ได้นี่กับพวกที่มีวัฒนธรรมต่างกันทีนี้พวกที่สามไม่มีวัฒนธรรมเลยนียากลำบากเป็นคนป่าคนเถื่อนแล้วยังดือ้อยังอวดดียังจองหองยังอันพานอะไรคนไม่มีวัฒนธรรมนี้มันสอนยากข้อนี้มันต้องนึกถึงข้อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นหลักว่ามันต้องช่วย ช่วยตามที่จะช่วยได้พระเยซูพูดว่าหมอต้องรักษาคนเจ็บเราเป็นคนสบายเป็นคนมีความสุขมีอะไรก็ต้องรักษาคนเจ็บคนมีความทุกข์คนไม่มีวัฒนธรรมคนไม่มีศาสนานั่นก็เหมือนกับคนเจ็บต้องหาโอกาสช่วยรักษาคนเจ็บคือคนที่ไม่มีวัฒนธรรมเอาเสียเลยก็ชักจูงชี้แจงให้เขามีวัฒนธรรมนั่นแหละ ถ้าวัฒนธรรมเหมือนกันก็พูดกันง่ายเป็นเกลือกันไปได้วัฒนธรรมต่างกันก็ทำความเข้าใจกันได้ไม่มีวัฒนธรรมเลยก็ทำให้เขามีวัฒนธรรมขึ้นมานี่เรียกว่าทำผู้อื่นให้มีธรรมะเอา้าอีกชุดหนึ่งว่าคนโง่หัวดื้ออย่างหนึ่งและคนอยู่ในระดับกลางๆไม่โง่เงาไม่หัวดือ้อ ปกติธรรมดานี้พวกหนึ่งแล้วก็คนมีสติปัญญาเป็นวินโยชนนี้ก็พวกหนึ่งคนโง่หัวดื้อมันยิ่งโง่มันยิงงนย่งดือ้อนี่สังเกตดูถ้ามันยิ่งโง่มันยิ่งดือ้อความดื้อนั้นมีมากเท่ากับความโง่ของเขาก็ต้องแก้ไขให้ฉลาดฉลาดขึ้นได้เท่าไรความโง่ความดื้อของเขาก็จะลดลงเท่านั้นทําคนโง่หัวดื้อให้มีธรรมะนั้น มันก็ต้องทำให้เขาฉลาดขึ้นมาอย่าไปบีบบังคับเขาไปข่มเหงเขาเขาก็ไม่ยอมเดี๋ยวก็เกิดอันตรายต่อสู้กันขึ้นมาเราทำให้เขาฉลาดแล้วเขาหายดื้อเองนี่คนโง่คนดือ้อถ้ามีโอกาสสักแวบหนึ่งทำให้เขาสานึกตัวได้สักแวบหนึ่งจะมีบุญมากกว่าสร้างบุตรสักหลังหนึ่งไหมไปคิดดูทีว่า ทำคนโง่คนดื้อให้สำนึกตัวได้สักคนหนึ่งมันจะได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์สักหลังหนึ่งไหมเพราะว่าโบสถ์นี้มักจะสร้างไว้ทำพิธีเฉยๆเท่านั้นมันยังไม่ทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนสมตามความมุ่งหมายคนปานกลางหมายความว่าไม่โง่ไม่ดือ้อแล้วก็ไม่ฉลาดแล้วก็ไม่ถ่อมตัวอะไร ก็ทำไปอย่างตามปกติธรรมดาสามัญเป็นเพื่อนกันทีนี้ถ้าว่าคนเขาฉลาดเป็นวินยูชนมีสติปัญญามากนี่ก็ต้องทำไปอีกแบบหนึ่งเนี้เราจะต้องทำตัวเป็นสิทธิ์เขามากกว่าที่เราจะไปสอนคนที่ฉลาดบ่าเราลองทำตัวเป็นสิทธิ์เขาแล้วเราจะมีโอกาสพูดเตือนสติเขาถ้าเราทำตัวไม่ถูกไม่เหมาะสมเขาก็ไม่ฟังเรา เพราะเขาฉลาดกว่าเราสูงกว่าเราความรู้มากกว่าเราเราทําตัวเสมือนหนึ่งว่าจะเป็นลูกศิษย์ไปขอรับความรู้จากเขาได้โอกาสก็พูดใจให้เขาเระลึกได้นั่นแหละก็สอนคนที่ฉลาดกว่าเราได้วินยูชนนี้ทําง่ายแต่เรามันไม่มีปัญญาจะทําเสียเองเพราะว่าวินยูชนนั้นง่ายที่จะรู้ที่จะเข้าใจที่จะเห็นแจ้ง ก็เป็นวินยูชนถ้าเรามีสติปัญญาพอสมกันมันก็ง่ายมันก็อาจจะกลายเป็นเพื่อนกันเสียมากกว่าเราพูดกันถึงผู้อื่นๆกันมามากพอสมควรแล้วผู้อื่นมีห้าชุดชุดละสามพวกหรือสมชนิดรวมแล้วก็15ชนิดที่เราจะช่วยให้เขามีธรรมะทุกชนิดและทุกพวกต่อไป วิธีที่ช่วยให้ผู้อื่นมีธรรมะทีนี้ต่อไปก็จะพูดถึงวิธีที่จะกระทำทำอย่างไรจะช่วยเขาให้มีธรรมะให้เขาสำนึกตัวให้มีธรรมะจะทำอย่างไรต้องพูดตรงๆพูดชนิดที่เรียกว่ากำบ้นทุกตินก็ได้คือพูดว่าต้องทำให้เขาชอบธรรมะจะทำให้เขามีธรรมะนั้น จะต้องทําให้เขาชอบธรรมะหรือพูดขยายความให้ชัดออกไปอีกหน่อยก็ว่าผู้ที่เขาเห็นประโยชน์ของการมีธรรมะชี้แจงพูดจาชักจูงหรือว่าแสดงอะไรก็ได้ไม่พูดด้วยปากแต่แสดงด้วยของอย่างอื่นก็ได้เรียกว่าพูดเหมือนกันพูดด้วยปากก็ได้พูดด้วยตัวหนังสือก็ได้พูดด้วยท่าทางก็ได้ พูดด้วยการแสดงอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เรียกว่าพูดพูดที่เขาเห็นประโยชน์ของการมีธรรมะทีนี้ประโยชน์ของการมีธรรมะนี้มันหลายอย่างหลายชนิดมีทางที่จะเลือกเอามาให้ถูกให้ตรงตามปัญหาที่มีอยู่ธรรมะมีประโยชน์อย่างไรบอกให้เขาได้มองเห็นได้เข้าใจได้ทุกอย่างทุกประการข้อแรกนั้นธรรมะ ดับทุกส่วนตัวบุคคลได้โดยตรงความทุกส่วนบุคคลแต่ละคนแต่ละคนธรรมะดับทุกได้พูดจนให้เขาเห็นความจริงอันนี้ว่าธรรมะดับทุกส่วนตัวบุคคลแล้วเขาก็เกิดชอบธรรมะขึ้นมามันก็ง่ายที่จะให้เขาศึกษาธรรมะพูดจนให้เขาเห็นประโยชน์เห็นอ น, นิสง์ของธรรมะแล้วมันก็ง่าย ที่จะชักจูงให้เขาศึกษาธรรมะยิ่งขึ้นไปเปรียบเทียบกันหน่อยเหมือนกับว่าเรื่องหาเงินทำไมไม่ต้องชักชวนเพราะคนรู้อยู่แล้วว่าเงินมันมีประโยชน์อะไรเงินมันมีประโยชน์อย่างไรไม่ต้องแสดงอา น, นิสงส์ชักชวนให้หาเงินก็เอากันเท่านั้นเองเพราะว่ารู้ประโยชน์รู้อา น, นิสงส์กันอยู่แล้วแต่ทีเรื่องของธรรมะยังไม่รู้ ก็จะต้องชี้แจงชักจูงให้เห็นประโยชน์เห็นอนิสงของธรรมะว่าดับทุก์ได้เขามีความทุกอยู่เขาก็สนใจธรรมะที่จะดับทุกข้อนั้นๆของเขาเป็นเรื่องๆไปนี่เรียกว่าเป็นประโยชน์ของธรรมะทีนี้ข้อที่สองธรรมะทําให้มีความสามารถในการทำหน้าที่การงานหรือทำหน้าที่ใดๆก็ได้ ธรรมะมีประโยชน์คือทำให้สามารถในการทำหน้าที่หน้าที่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำไร่ทำนาอะไรก็ตามธรรมะนั่นจะช่วยให้ทำได้ดีมีจิตใจเป็นธรรมะสงบเป็นธรรมะทำงานสนุกไม่เร่าร้อนจะต่อสู้จะป้องกันตัวกับศัตรูถ้าจิตใจมีธรรมะก็ต่อสู้ได้ดีนี่เรียกว่าหน้าที่ต่อสู้ หน้าที่ป้องกันก็จะป้องกันได้ดีหน้าที่สแสวงหาก็สแสวงหาได้ดีในการมีการเก็บการกินการใช้การอะไรก็ตามถ้ามีธรรมะแล้วทำได้ดีแปลว่าหน้าที่ทุกอย่างของมนุษย์ที่มนุษย์กระทำกระทํากันอยู่นี้ถ้ามีธรรมะแล้วจะทำได้ดีมีสติปัญญาก็ยังไม่เท่ากับมีธรรมะ มีธรรมะทำได้ดีกว่าเพราะมันไม่ร้อนมีสติปัญญาบางทีมันก็ร้อนร้อนทำไปอย่างร้อนร้อนมันก็ไม่น่าดูถ้ามีธรรมะมันก็ทำไปอย่างเย็นเย็นเย็นเย็นทำหน้าที่ทุกหน้าที่ในเรื่องของชีวิตทีนี้ข้อที่สชี้ต่อไปให้เห็นประโยชน์ของธรรมะว่าธรรมะนี้สามารถจะสร้างสังคมมนุษย์ให้อยู่กันเป็นสุข สังคมมนุษย์จะอยู่กันเป็นสุขได้เพราะมีธรรมะเมื่อเขามองเห็นความจริงข้อนี้เขาก็ร่วมมือในการที่จะสร้างสังคมของผู้มีธรรมะให้สังคมของเราเป็นสังคมที่มีธรรมะเขาเห็นประโยชน์อันนี้แล้วเขาก็พอใจที่จะศึกษาธรรมะจะรู้ธรรมะจะปฏิบัติธรรมะฉะนั้นในการที่จะทาให้เขาสมัครมีธรรมะก็ต้องทาให้เขาเห็นประโยชน์ของธรรมะ อย่างน้อยที่สุดทาให้เขาเกิดความรู้สึกสนุกด้วยการมีธรรมะร่วมกันมีความสุขมีความสนุกเพราะการมีธรรมะร่วมกันชี้แจงให้เห็นประโยชน์ว่ามันจะมีความสุขมีความสนุกอย่างยิ่งในขณะที่มีธรรมะกลมเกลียวกันไปนี่เป็นตัวอย่างขอให้ผู้ที่สนใจจะเผยแผ่ธรรมะจะตั้งสมาคมธรรมะจะตั้งหมู่บ้านธรรมะ แผ่นดินธรรมแผ่นดินอะไรนี้จงพิจารณาถึงหลักเหล่านี้เถิดพิจารณาให้เห็นลู่ทางที่จะดึงคนมาสู่ธรรมะปฏิบัติธรรมะทาให้เขามองเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของธรรมะจะดับทุกข์ส่วนตัวก็ได้ให้มีความสามารถในการทําหน้าที่ทุกอย่างทุกประการก็ได้จะช่วยกันสร้างสังคมหมู่คณะที่มีความสงบสุขก็ได้แล้วที่ดีกว่านั้น จะได้สนุกในการมีธรรมะร่วมกันไปในการศึกษาในการปฏิบัติในการรับผลของการปฏิบัติอย่างสนุกสนานเป็นหมู่คณะที่สนุกอยู่ด้วยธรรมะก็ได้พูดให้ชัดเจนอย่างนี้ทีนี้ก็จะพูดกันต่อไปถึงว่าทาอย่างไรจึงจะให้เกิดความรู้สึกคิดนึกขึ้นมาในใจอย่างนี้นี่พูดที่จะสร้างสมาคมธรรมะ ก็จงสนใจฟังต่อไปว่าทำอย่างไรมันจึงจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นในจิตใจของคนเหล่านั้นได้ข้อนี้ต้องตอบว่าทำให้เขามีสติปัญญามีปัญญาครบถ้วนขึ้นมาสามขั้นตอนปัญญาสามขั้นตอนจะสำเร็จประโยชน์ในการที่จะให้ผู้อื่นเพื่อนของเรานะ่ะมีธรรมะด้วยการทำให้เขามีปัญญาทั้งสามขั้นตอนข้อที่หนึ่งเรียกว่า สุตตมยปัญญาสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดมาจากการศึกษาต้นหนังสือแปลว่าฟังแต่ว่าความหมายที่ถูกต้องคือการศึกษาให้เขาได้ยินได้ฟังให้ได้ศึกษานี้เป็นจุดตั้งต้นเขาได้ยินเรื่องที่เป็นพื้นฐานที่จะศึกษาทางการอ่านทางการเขียนทางการฟังนี่ให้เพียงพอเสียก่อน และเขาจะค่อยรู้สึกพอใจหรือศรัทธาเป็นเบื้องต้นในธรรมะนั้นๆ น, น, นี่ปัญญาเกิดจากการศึกษาทำได้เพียงเท่านี้ข้อที่สองั้นเขามีปัญญาในขั้นนี้แล้วทำให้เขามีปัญญาในขั้นต่อไปก็คือให้เขารู้จักคิดนึกเรียกว่าจินตามยัปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดนึก ให้เขาเอาเรื่องที่ได้ยินได้ฟังจากเราไปคิดนึกเราท้าว่าให้เอาไปคิดดูจริงหรือไม่จริงให้เอาไปคิดดูที่เราพูดให้ฟังนี้แล้วเขาก็เอาไปคิดไปนึกความคิดนึกไตรตรองอยู่นั่นแหละมันจะช่วยให้เขาเกิดความรู้สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเรียกว่าปัญญาเกิดมาจากการคิดนึกให้เขาใช้เหตุผลของเขาเองไม่ต้องเชื่อคนอื่นละ ถือตามหลักพระพุทธเจ้าเลยไม่เชื่อคนอื่นเชื่อสติปัญญาของตัวเองคิดนึกคิดนึกก็ได้ปัญญาสูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งปัญญาเกิดจากการใช้เหตุผลจากการคิดการนึกในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั่นแหละเอามาคิดเอามานึกเอามาใช้เหตุผลขั้นที่หนึ่งปัญญาได้ยินได้ฟังมาอย่างไรขั้นที่สองเอามาคิดนึกศึกษา ใช้เหตุผลให้ครบถ้วนก็มีปัญญาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งทีนี้ข้อที่สภาวนามยะปัญญาให้เขาเอาเหตุผลที่คิดนึกเหล่านั้นมาทำไว้ในใจให้แจ่มแจ้งมาทำในใจโดยแยบคายปัญญาคิดนึกเอามาทำในใจโดยแยบคายอยู่เป็นประจำมันก็จะเกิดปัญญาเห็นแจ้งเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงเรียกว่า ภาวนามายะปัญญาปัญญามีสมขั้นตอนอย่างนี้ถ้าเราจะดึงเพื่อนของเราให้มาสู่ธรรมะแล้วเราต้องช่วยให้เขาสามารถสร้างปัญญาในธรรมะ3ขั้นตอนนี้ให้สำเร็จขั้นตอนแรกให้ได้ยินได้ฟังให้เป็นพื้นฐานจนพอใจหรือมีศรัทธาขึ้นมาบ้างแล้วปัญญาขั้นที่สองให้เขามาคิดนึกด้วยเหตุผลของตนเอง อย่างอิสระเชื่อตัวเองคิดของตัวเองอะไรของตัวเองนี้ก็เป็นปัญญาขั้นสูงขึ้นมาครั้นแล้วก็เอาเหตุผลเหล่านั้นมาทำไว้ในใจให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอเสมออบรมจิตใจด้วยเหตุผลเหล่านั้นอยู่เสมอเขาจะเกิดปัญญาขั้นที่สามคือปัญญาเห็นแจ้งในทางใจด้วยจิตใจที่เรียกว่าการทำภาวนา การทาให้เห็นแจ้งนี่ขอให้กำหนดดูให้ดีๆว่าเราต้องการจะให้เพื่อนของเรามีธรรมะเราต้องพูดให้เขาเห็นประโยชน์ของการมีธรรมะและให้เขาเอาไปคิดเขาได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วเป็นปัญญาขั้นหนึ่งแล้วให้เขาเอาไปคิดนึกด้วยเหตุผลจนมีปัญญาด้วยเหตุผลของเขาเองอีกขั้นหนึ่งคั้นแล้วให้เขาเอาปัญญาเหตุผลของเขาเอง มาทำในใจให้เป็นปกติเป็นปกติจนมันแจ่มแจ้งมันลึกซึ้งลงไปในสันดานหมดชีวิตจิตใจเห็นแจ้งมันก็ไม่ไปไหนเสียมันก็รู้แจ้งเห็นจริงในความจริงข้อนี้ก็ง่ายที่จะประพฤติปฏิบัตินี่ช่วยให้เขามีปัญญาสามขั้นตอนหลังจากช่วยให้เขาเห็นประโยชน์ของการมีธรรมะแล้วต้องช่วยให้เขามีปัญญาครบถ้วนทั้งสขั้นตอน ปัญญาที่ได้ยินได้ฟังจากเราปัญญาที่เกิดจากเหตุผลของเขาเองปัญญาที่เขาเอาเหตุผลมากระทาอยู่ในใจอบรมจิตใจอยู่เสมอจนเห็นแจ้งถึงที่สุดก็สำเร็จประโยชน์ในการที่ทาให้เขามีธรรมะประโยชน์ในการช่วยผู้อื่นให้มีธรรมะผลประโยชน์ที่เราจะได้รับคือว่าเราพยายามให้ผู้อื่นมีธรรมะ มันมีประโยชน์เหลือที่จะกล่าวได้เพราะอย่างน้อยก็เป็นการสนองพระพุทธประสงค์ทรงประสงค์ให้เราช่วยกันให้โลกมีแสงสว่างให้แสงสว่างส่องเข้าไปในจิตใจของคนทุกคนนี้เป็นพุทธประสงค์เมื่อเราทําอยู่อย่างนี้เราก็สนองพระพุทธประสงค์ตีราคาไม่ไหวแล้วตีราคายิ่งกว่าบทราคาร้อยล้านพันล้านแล้ว ถ้าสนองพระพุทธประสงค์ได้สำเร็จมันมีค่ามากกว่าสร้างโบสถ์ราคาร้อยล้านพันล้านพระพุทธประสงค์ก็คือความสงบสุขของชีวิตทุกชีวิตทุกระดับให้ต้นไม้ต้นไร่เป็นสุขให้สัตว์เดรัจฉานเป็นสุขให้มนุษย์เป็นสุขให้เทวดาเป็นสุขให้พรหมเป็นสุขจนหมดเลยถึงภาวคับพรหมแล้วเป็นสุขแล้ว มันก็หมดเรื่องพระพุทธประสงค์ทีนี้ถ้าเราทำให้เพื่อนมนุษย์ของเรามีธรรมะได้จริงอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดโลกพระสีอริยะเมตไตรขึ้นมาในทันทีทันใดนี้ไม่ต้องในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินดอกในทันทีทันใดนี้มันจะเกิดโลกพระสีอริยะเมตไตรขึ้นมาคือโลกแห่งความเมตตาและความรักทุกคนมีธรรมะ รักเพื่อนมนุษย์คิดดูสิลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าทุกคนในโลกรักเพื่อนมนุษย์แล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้มันพร้อมที่จะขโมยนี้มันพร้อมที่จะปร้นจะจี้มันพร้อมที่จะแย่งชิงมันพร้อมที่จะเอาเปรียบมันเป็นเรื่องที่ไว้ใจไม่ได้ถ้าทุกคนมีธรรมะรักเพื่อนมนุษย์เหมือนกับรักตัวเองแล้วนั่นคือ โลกพระสีอริยเมตรตรไม่มีสิ่งอื่นจะช่วยได้นอกจากธรรมะถ้าธรรมะมาสิงใจของมนุษย์มนุษย์มีความรักผู้อื่นแล้วโลกนี้ทั้งโลกก็กลายเป็นโลกพระสีอริยเมตรตรเหลียวไปทางไหนก็พบแต่ผู้ที่จะช่วยนี่ฟังดูให้ดีๆว่าเหลียวไปทางไหนก็พบแต่ผู้ที่จะช่วยไม่พบผู้ที่จะปร้นจี้หรือจะคอยเอาเปรียบ มันพบแต่ผู้ที่คอยจะช่วยนี่โลกพระสีอรยะเมตไต ร, รเป็นอย่างนี้ทีนี้ดูโดยรายละเอียดถ้ามีธรรมะแล้วมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่เต็มตามความหมายของคาว่ามนุษย์ยังไม่มีธรรมะอยู่เพียงไรยังเป็นมนุษย์ปกพร่องมนุษย์กลวงเป็นโพงอยู่ตลอดเวลาถ้ามีธรรมะแล้วก็มีมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความเป็นมนุษย์ มันก็มีเสียทีที่เกิดมาไม่เสียทีที่ได้เกิดมาได้มีความเป็นมนุษย์เต็มตามความหมายของคำว่ามนุษย์ทีนี้มันมีแต่โลกมนุษย์ไม่มีโลกสัตว์ร้ายเข้ามาเจือปนอยู่โลกนี้ก็ปราศจากปัญหาทุกความหมายคำว่าปัญหานี้สำคัญมากนะแล้วก็ทุกความหมายเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เป็นปัญหาเรื่องเศรษ ฐ, ฐกิจก็ไม่เป็นปัญหา เรื่องการสังคมก็ไม่เป็นปัญหาเรื่องทุกอย่างไม่มีปัญหามันกลายเป็นโลกมนุษย์ที่ไม่มีปัญหาไม่ว่าปัญหาชนิดไหนเดี๋ยวนี้กำลังเต็มไปด้วยปัญหาใช่ไหมยิ่งอ่านหนังสือพิมพ์แล้วยิ่งเวียนหัวมันเต็มไปด้วยปัญหามนุษย์กำลังเต็มไปด้วยปัญหาเพราะขาดธรรมะพอธรรมะเข้ามาก็รุกไล่ปัญหาเหล่านั้นออกไปหมดไม่มีเหลืออยู่ในโลก เป็นโลกที่ไม่มีปัญหาในที่สุดเราได้มีความพอใจชื่นอกชื่นใจอิ่มอกอิ่มใจว่าได้สนองพระพุทธประสงค์ที่พระองค์ตรัสว่าสัพพท า, านังธรรมทานังชินาติเธอทั้งหลายจงยินดีในธรรมทานเพราะว่าธรรมทานนั้นย่อมชนะทานทั้งปวงอมิสทานก็สู้ไม่ได้ อภัยทานก็สู้ธรรมทานไม่ได้เพราะธรรมทานนี้มันดับทุก์ได้สิ้นเชิงส่วนอนมิสทานหรืออภัยทานบางทีเพียงแต่ทําให้ไม่ตายเท่านั้นแหละเพียงแต่ไม่ตายอยู่ได้แต่แล้วมีความทุกข์เพราะมันไม่ฉลาดมีชีวิตอยู่อย่างไม่ฉลาดแม้จะไม่เบียดเบียนกันมันก็ยังไม่เยือกเกย็นในทางจิตทางวิญญาณดอก ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องเพียงพอจึงจะเป็นชีวิตที่เยอกเย็นทางวิญญาณคือทางจิตทางใจเมื่อได้สิ่งนี้แล้วก็เรียกว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คือได้มีชีวิตที่เยอกเย็นคาว่าเยอกเย็นนี้มันเป็นคำที่มีความหมายมากนะมันมีความหมายถึงว่ามันสว่างสวไม่มืดมนไม่ส ก, กปรกไม่เศร้าหมองไม่บีบคั้น ไม่เผาลไม่ไทิ่มแทงร้อยลัดอะไรทุกอย่างทุกประการจึงจะเรียกว่าเป็นชีวิตที่เยือกเย็นภาษาบาลีเรียกสิ่งนี้ว่านิพุตานิพุตโตคือชีวิตที่เยือกเย็นเมื่อมีธรรมะแล้วจะมีชีวิตที่เยือกเย็นจะมีแต่ความเยอกเย็นเพราะอนุภาพของธรรมะนี่คือ ผลสุดท้ายที่จะได้รับจากการที่มีธรรมะวันนี้เป็นการบรรยายถึงการทำผู้อื่นให้มีธรรมะโดยหลักพื้นฐานหลักพื้นฐานก็คือที่กล่าวมาแล้วว่ามันมีเหตุผลอย่างไรมีความเป็นไปอย่างไรมีอะไรอย่างไรนั่นเรียกว่าหลักพื้นฐานเมื่อทำถูกต้องตามหลักพื้นฐานแล้วก็สำเร็จตามความประสงค์ ฉะนั้นขอให้ทำอะไรอะไรทุกอย่างอย่าให้ขาดหลักพื้นฐานขอให้มีหลักพื้นฐานโดยทุกอย่างทุกประการไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องโลกเรื่องธรรมะเรื่องอะไรก็ตามต้องมีหลักพื้นฐานทั้งนั้นการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติการบรรยาย และขอส่งเสริมกำลังใจในการที่จะประพฤติป ฏ, ฏิบัติธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนประสบความสำเร็จสมตามความปรารถนาต่อไปณบัดนี้